พระพุทธศาสนานั้นก็ตรงกันข้าจะสัตว์ในไตรโลกธาจะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดนกหนูปูเปกปูปานาห น, นามผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่และเกิดพุทขึ้นทุกท่อนหน้าทั่วทางไตรโลกาก็จะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดแต่ยังไม่มีคิวก็มี ผลสุดท้ายก็พระพุทธศาสนานั่นเองจะเก็บคนเข้าสู่พระพานัดเที่อื่นอย่ามาเอ่ยเลยขึ้นพระโมกคันลาสารีบุตรก็มาจากสนชัยนาฏบุตรจึงสำเร็จพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันได้ทำไมเขาจึงไม่มาเลื่อมใสศาสนาพุทธของเราหมด แต่กรรมของเขายังผูกมัดรัดลึงอยู่เมื่อเขาหายพยศอันไยแล้วเขาก็จะมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาหมด เข็มทิศมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชันใดคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้เราไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อไราไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลเรียกว่าอริยสัจธรรมจริงอยู่อย่างนั้นไม่ลงธรรมาตกเลย เที่ยมในทางลึกซึ่งเพื่อให้คำหนึ่งหลายทางน้าห้อยน้องครองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อไม่ได้ไปเชื่อจริงอยู่ไม่มีกลางก่กลางคืนไม่ลบเลือนไปไหนเลยไม่มีท่านผู้ใดจะไปลบเลือนได้ของจริงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพานสมบัติ พระพุทธศาสนาสอนหมดแล้วไม่มีรัฐทิใดๆจะมาสอนเก่งเหมือนพระพุทธศาสนาเลยและก็สอนตรงกันด้วยไม่ได้รบล่างพรบกันเลยพระพุทธเจ้าจะมีกิริยาร่าสพระองค์ก็าตามก็มาสอนอันเดียวกันเป็นยุกย๊บรุกย๊กย๊กย๊กย๊ ก, ก, กไม่หนีกันเลยไม่ยืแย่งแข่งดีกันเลยเพราะท่านไม่มีกิเลสเป็นธรรมอันไม่ตาย ทำสอนของพุทธศาสนาคนชั้นต่ำเอาไปปฏิบัติก็ได้คนชั้นสูงก็ได้คนชั่นกลางก็ได้ทั้งนั้นไม่ลำเอียงเท่ากับใครเลยย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างเว่นจากทุจริยคือพืชช่อช่วด้วยกายวายายใจประกอบสุดจุติยเือเพื่อชอบด้วยกายวายายใจกระทําใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคโ ก, กด๋งเป็นต้น พุทธศาสนาสิ่งไหนพระพุทธศานสนาไม่สอนอะ ม, มีเลยเอา้าคัดค้านมาสิตอนไหนที่พระบรมศาสนาษไม่ได้สอนอะ ม, มีสอนมนุษย์สมบัสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพานสมบั ต, บติเต็มภูมิแล้วพัฒนามนุษย์บัติพัฒนาสวรรค์สมบัติพัฒนาพรสมบัตินิพานสมบัติไปในตัวด้วยชาวโลก ต้องก้หมายก้หมู่ก้พระกดพวกขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดทําไมเราจึงอาบน้ําเพราะร่างกายมันสกปรกทําไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะกิเลสมันสกปรกอยู่ที่ดวงใจเพื่อให้มันลดหย่นลงบ้าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เล่าสมอง ใช่หันคว้าหันกับหลังหันบอกให้เว่งบอกให้สารพัดบอกให้ไปทำแต่ผิดทั้งนั้นเกเรตมันมีอา น, นาจก็มีแต่ธรรมะของพระบรมศาสดาเท่านั้นจะต่อสู้มันได้เหนือนากนั่นอย่ามาเอ่ยเลยทำเป็นโรกบาทคุ้มครองโรกสองอย่า ควละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วก้อนไม้ก้หมูก้อนพักก้พวกก็ตั้งมาอยู่อู๋ครั้งทําให้นําคํานึงก็อนเที่ยงเพึ่งเพียงเองอาศัยทําคำชั่วอะไรชี้แจงไม่ได้ก็ไปทําในที่รับถ้าไม่มีอย่างอายต่อบาปแล้วมันก็ไปล่วงละเมิดสิ้นห้าใช่ไหมถ้าชาวโลกไม่สียห้าบาริบูรณ์อยู่ทุกท่านทุกคนเว้นไว้แต่ผู้บ้าไหว้เสียจริตผิดมนุษย์ที่นี่สงกรา ก็ไม่มีโซ่ตรวนก็ไม่มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่ใช้ดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้า ถ้ากรรมและผลของกรรมมันมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่ทําดีได้ดีจริงทําชั่วก็ได้ชั่วจริงตามส่วนควรค่าของเหตุเหตุสร้างขึ้นแลว้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจนะ เหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพราเก้าเหตุพืชผลของเหตุผต้ผองพืชกรรมเลตุของกรรมสมข้อกันเขาได้ส่วนไปทางดีทางเชื่วเขาแล้วแต่เหตุพืชกรรมจะสร้างลงหลงสร้างลงก็าตามผลของความหลงก็าตามมาเหมือนกันถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงเชี่บด้วยถ้าพระพุทธศาสนาเพนาศลงจาก ห, หัวใจเรา แต่ละท่านละคนเราจะดูได้เลยเราก็เหมือนหมวดม้วยสุดที่สกุลพุทธใครรานใครรุกเร้าพุทธธรรมสงฆ์ทนของกรอันไม่ดีจะตามบันจงอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีแล้วสไยกฎหมายใ ด, ดๆก็ตั้งมาอยู่อูของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยชาวไตรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเถิ ศีลตัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ลงในที่ใจพุทธธรรมสงก็ทรงอยู่ที่ดวงใจเป็นเชือบสามเกลียวเขาก็มาถามหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ไล่ลผีให้ด้วยไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากใจผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสตกิเลสไม่มีแก่พระอรหันต์เราพูดอย่างนี้ถูกไหม ทรรมชาติสูงยังมีอีกทำไมจึงมีธรรมชา้นสูงเพราะกิเลสมันแหลมคมถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับกิเลสกิเลสมันแหลมคมมากมันทบได้เหมือนเชือกบางทีมันก็ที่พวกทถามว่าบาปมีไหมบุญมีไหมก็คือกิเลสบอกบอกถามไม่ใช่ทราบอกถาม บาปไม่มีบุญไม่มีกิเลสมันคัดข้านไม่ใช่ทำมันมันทบได้แล้วทบได้เหมือนเชือกใช่หันขวาหันกับหลังหันผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเมีหลายท่านผู้ใดต้องการพระโสดาบันเอาวันนี้สัอย่าเสียดายล่วงละเมิดสินห้าอย่าเสียดายล่วงอบายามุก อย่าเสียดายถือศาสดาอื yeah, an yeah, an yeah, ities, so, like ่นอย่าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันยาเสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีอย่าเสียดายอยากจะค่าขายเครื่องปรหานค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์เทศตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนำมาว่าค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้อย่าเสียดายร่วงละเมิดเลยถ้าไม่เสียดายร่วงละเมิดแล้วและอย่าเสียดายร่วงละเมิด อบายามุกทุกประเภทนี่สำคัญมากก็ถึงพระโสดาบันเท่านั้นถ้าเสียดายร่วงละเมิดอแบบายามุกถ้าเสียดายถือาศาสนาอื่นลัทธิอื่นถ้าเสียดายจะถืออยู่ยงคงกระพันอยู่จะภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำก็ตามก็ไม่ใช่พระโสดาบันก็เป็นโลกีเราดีๆนี่เอง โลกีเป็นบุญไหมแต่ก็เป็นบุญวนเวียนไม่ใช่บุญจะออกจากวัตาสงสารส่วนบุญพระสสดาบันนั้นบุญบานหน้าไปทางพระเนพานก็ออกจากวัตาสงสารว่าของพระสสดาบันก็เป็นบาปที่จะร้อยหลอไปเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างแรมแต่ไม่กลับมาขึ้นใหม่เอง บุญของพระสอราบันก็บานหน้าเหมือนดังพระจันท์ในวันข้างขึ้นแต่ไม่กลับมาเรมอีกพอไปถึงอรหัตตมะคก็เนื้อบาปเนื้อบุญอรหัตมะตมัคตผลก็เนื้อบาปเนื้อบุญไปแล้วก็เข้าสู่พระนินพานไปซักนักหาความสุขในโลกใครเป็นผู้หาเก่งกว่ากันก็พระ อรหันต์เป็นผู้หาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซะทะเลหลงถ้าหลงอันนี้ก็หลงหมดถ้าหลงใจก็หลงหมด ถ้าหลงใจตอนไหนก็หลงธรรมตอนนั้นถ้าไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นถ้าไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจก็ข้ามทะเลใจไปแล้วพูดมากเฉยเพราะเป็นโวหารโวหารก็ต้องหารลงมาถึงใจ แปมื่สีพระธรรมขันธ์ก็หาลงมาถึงใจในปัจจุบันวัตถุปัญญายวธธรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม่งอนแค่อนเคลียนในทางพระพุทธศาสนาเลยพระบรมศ า, าลาสอนศีลก็ตัดศีลอยในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรูกลงในปัจจุบันอิทธิบาทสี่ คือคุณเครื่องสําเร็จความประสงค์สี่อย่างหนึ่งชันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้สองวิทยะเพยียรบรนประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สามวิทยะจิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้สี่วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสอย่างนี้มีบรีบูรแล้วแทบนำหบุกคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัย ควรทําความไม่ประมาทในที่ศีรษะารในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตในการวละใจทุจริตประพฤติวจทุจดิตในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตในการละความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกอีกอย่างหนึ่งหนึ่งระ ว, วังใจไม่ให้กําหนัดในอารมณ์ไม่ได้ตั้งแห่งความกําหนัด ระวังใจมาให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจมาให้เมามเอาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเมามเอันไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่า่าีเลยจึงยืนยันว่าสัทหลังสัพยัญชนงเกวราปริป น, นังปริสุทธ์ทางปรมัญญาอางประกาเศเสสิว่าได้บุญแล้วทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะ ตามหาปควันตังปูตยามีตามมหาปะวันตังเศรษฐาสนามามิจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบว่าแบบโง่ๆเลยรัฐที่ใดก็าตาจะมาอวดดีต่อว่าพุทธศาสนาก็เรียกว่ากรองทัพน้ําลายบ้วนขึ้นค้าตาลบเผงๆเลยเรายืนยันตามความเป็นจริงไม่เป็นอุปาทาน กาโมปาทานถือมันในกามทิฏฐุปาทานถือมันในทิฏฐิเีลษฐพตุปาทานถือมันในสินรศอัตตวาทุปาทานถือมันวัฏวะตนถ้าชนะอุปาทานอัตตวาทุปาทานเนี่ยอุปาทานทั้งพวงก็ชนะหมดไปในตัวทาชั้นสูงสูงที่สุดเอาปัจจุบันสัพปพะไตโลกธาตุแปดหมื่นสี่พรทธมรรคย่นลงมาในปัจจุบันในกิจปัจจุบันธรรมซะเป็นเอกนิบาทซะ ถ้าขยายออกเป็นสองก็กายกับใจถ้าแยายออกเป็นสาก็กายวายทายใจถ้าขยายออกเป็นสี่ก็ธาตุสี่ถ้าขยายออกเป็นห้าก็ขันห้าถ้าขย า, า, า, ายออกเป็นหก็ตาหูจับเลี้ยงกายใจถ้าขยายออกเป็นเจ็ดก็สัตตาวาสเจ็ดหรือเป็นเน้หาที่จะทำให้เจ็ดถ้าขยายออกขยายออกเป็นแปดก็อัทถังเหกรรมมาฆาตปถ้าขยายออกเป็นเก้าก็มรติพ้นสีนสิพพานห น, นึ่งถ <ció> ้าขยายออกเป็นส <itos> ิบก <Beast> ็ กุศลกรมบท10และเอกุศลก็มบท10เป็นตน้นแต่ถึงจะอย่างไรก็าตามก็ขยายออกไปจากหลักเดิมคือใจย่นลงมาหาใจสักจึงจะปฏิบัติง่ายขยายออกก็ไม่ต้องสงสัยย่นลงมาก็ไม่ต้องสงสัยก็เชือกเส้นเดียวนั่นเอง ข, อขึงยาวเหยียบไปทั่วไตรโรกธาถ้าโค้งมาก็เป็นเชือกเส้นเดียวนั่นเองมาอยู่ที่กองดีจนไม่มีที่วางอีกเสียด้วย พระบรมศาสดาก็เคารพธรรมจำหนงด้วยจิตและตายวายกายใจถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสดาก็ไม่สามารถรู้ธรรมได้ถ้า ม, มีอยู่ก่อนท่านจึงสามารถรู้ธรรมได้เหตุนั้นท่านจึงพาเคารพธรรมทำฝ่ายบาปท่านเคารพไม่ท่านก็เคารพเว้นทำฝ่ายกิเลสท่านก็เคารพเว้นทำฝ่ายพระนิพานท่านก็เคารพเพื่อทําให้รู้แช้ให้แกล้งให้รู้ ถ้าปัจจิบัติเพื่อพ้นทุกปัญหาก็ไม่มากนักพิจารณาไปทางรัฐเลยย้อนลงมาในาปัจจุบั น, นเห็นอนิจจังคณะกิจหนึ่งภาก 1, พกำลมเข้าลมออกก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกคณะก 1, ิจหนึ่งภาพกำลมเข้าลมออกก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนัตตาใช่ไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่สักว่าลมลมเป็นแต่สักว่ารูรูมันก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว พระโลกไม่ได้ยืนยันว่าจะอยู่ในอำนาจของผู้ใดพระโลกไม่ยืนยันว่าจะอยู่ในบังคับของท่านผู้ใดเพราะพระนปพานก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นพระเนปพานท่านผู้ใดเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนว่าสอนรัดในเวลาสอนรัดเป็นแต่สักว่าลูกเป็นแต่สักว่าเห็นเนอะพระบาลามีแก่กล้ามาแล้วก็บอกว่าถอนแล้วครับพอบาลามีแก่กล้ามาแล้ว พระพากราบาลามีแก่ก้าวแล้วพอแล้วครับ <c oughs> เป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเนอะพอแล้วครับเพราะมันรวมใจเสียขาอยู่นั่นเนี่ยทั้งวีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาด้วยเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเนอะครับพอแล้วแต่ฉาเน่ยเปสัมวทาสีด้วยเป็นพระอรหันต์แตกฉาเนี่ยเปสัมวิทาสีด้วยคือยังไงจึงว่าอย่างนั้นอธิบายดูสิ เป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นนั่นคือมายึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นโมกุลไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ยึดถือผู้เห็นเป็นผู้เราเป็นเราเราเป็นผู้เห็นไม่ยึดถือผู้อื่นอีกด้วยเป็นแต่สักว่าสังขารและกองทุกเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นก็เลยไม่ไปต่อหาทางมานะทิฏฐิเลยผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นของว่างเพราะไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็เลยข้ามทะเลหลงไปซัก มีทั้งศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสู ง, สสงปัญญาท่านสูงปัจจุบันชั้นสูงรวมกันอยู่ด้วยครบแปดหมื่นทีพระธรรมขันธ์เรียกว่าบาลมีแก่กล้ามาแล้วถ้าข้ากระดอกบวัวมันกําลังจะบานออกอย่างนี้พอได้รับแสงแดดมันก็บานออกอย่างนี้ทาแต่ละวันละบาทมันส่งต่อพระานหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละลายของบุคคลเพราะมันไม่อยู่ในระดับเดียวกันพระสารีบดไปนั่งฟังเทศ รับพระบรมส า, าราใช่คนหนึ่งเข้าไปถามพระบรมาศาราที่คณะอักฤษสนาโคยู่ที่ถ้าสุกรขาตาข้างภูเขาคิดตะปูดเนี่ยสิ่งได้ควรแก่เราเราควเสี่งนั้นสิงได้ไม่ควรแก่เราเราก็ไม่ควรสิ่งนั้นถ้าความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกกับท่านเพราะท่านยังยึดถือความเห็นอย่างนั้นอยู่ถูกันไปใช้กันมาแล้วก็โทษไปอีกอง รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เทีย่ยเกิดขึ้นแลว้วก็แปรปวนเนี่ยแตกสลายไปรูปอดีตรูปอนาคตรูปปัจจุบันก็เหมือนกันเวทนาในอดีตเวทนาในอนาคตปรเวทนาในปัจจุบันหยาบละเอียด เ, เก็ตามไกลใกล้ ก, ลก็ตามเธอจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าคันห้าสกุลนักกายสกุลนักใจนี่นี่กายเข้าใจแบ่งออกเป็นห้ากองเรียกว่าคันห้าหนึ่งรูปสองเวทนาสมสัญญาสี่สังขารหวิญญาณธาตุสี่คือในน้ำไฟลมลมกันเป็นกายเรียกว่ารูป แดงออกผมขนและฟันนังน้กระดูกย่นกระดูกมาพอใจตาฟงขืไตปลอดใใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสด็นเงื่อนเหมาเป็น้นน้าตาเปลมานนลายน้มูกน้าไข่พ่อน้มูดอันนี้เป็นธาตุดินอันนี้เป็นธาตุน้ำธาตาไฟที่ยังกายให้อบอนไฟธาตุไฟที่ยังกายให้กวนกายไฟที่เผาอาหารห้ย่อยอันนี้ธาตุไฟลมพัดขึ้นวงบนลมหายลมเลมอ้วกลมพัดลงลมต่าลมในท่องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นธาตุลม ที่จัดเข้าเป็นรูปขันชะส่วนานามขำขันเวทนาความเฉยอารมณ์สุขทุกอุเบกขาเกิดขึ้นในก็อแ ป, ปลปวนในแตกสลายเหมือนกัน สัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโหตถะธรรมธรรมารมรูปะสัญญาสัพพะสัญญาขันทะสัญญาระสัญญาโหตถะสัญญาธรรมะสัญญาในตามบาลีก็เกิดกลับเป็นสังขารความปรุงแต่แห่งจิตเป็นบุญเป็นบาปเป็นกลางๆว่าก็เกิดขึ้นแน่แปรลวนในแต่สลายวิญญาณจักขุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูขานะวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายะวิญญาณวิญญาณวิญญาทางกายมโนวิญญาณวิญญาณทางใจเกิดขึ้นแน่แปรลวนาในแต่สายอาศัยรูปเกิดความรูปขึ้นอย่างจักขุวิญญาณเป็นนต้ ทีนี่เธอทั้งหลายอย่าได้ถือมันมาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเกิดขึ้นแล้วแปลปววแล้วแตกสลายไปสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วแปลปววแล้วแตกสลายสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็ตามเธอสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยู่แต่เป็นตามเต็มตัวแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่แต่ไม่ใช่บุคคลอยู่แล้วทีคณะขะอธิเวชพนโคดฟังก็ได้เพียงไตสนาคมทางส่วนภาษาเอวุติทางานพัดอยู่ข้างหลังสําเร็จพระหรรมแล้วั้น ทำงานทัดให้พระองค์คงจะเป็นระดูร้อนอยู่ที่ถ้ำสุกรคาตาสำเน็จพระรหันต์นพูดทำงานทัดอยู่ข้างหลังปิดแสดงหนังปิดแสางเขาแปลมาหลั ง, ดด ง, ลงตัวดอาชาดาชระอาตัวคอควายสะกดนั่นทําแต่และวัดระบาดตรงต่อพระนิพพานหมดน้โมพระรหันต์เป็นน้โมที่ไม่มาเกิดแก่เก็บตายหน้โมแปลมานอหน้อมเรียนน้โมจบนะพระรหันต์ ไดประโยคนเก้ามรติผลสีนิพพานหนึ่งพาหานเรียนน้โมจบน้โมแปลว่าน้อมน้อมน้อมจนม่มาเกิดแก่เจ็บตายน้อมน้อมจนไม่มาโรบมากดมาหลงพระอนาคามีก็เรียนหน้โมเกือบจะจบแล้วน้อมน้อมจนได้มีราคะน้อมน้อมจนได้มีโทสะเตโมหะของท่านยังมีอยู่บ้างเพราะสําคัญตัวในเก้าข้อเป็นผู้เลิศกว่าเขาสาคัญตัววาเลิศกว่าเขาพระอนาคามียังมีอยู่ เป็นผู้แริกว่าเขาสาคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผ well. ู้แริกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเนี่เป็นสามข้อเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสาคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นหกประเทศ เป็นผู้ เ, ววเร็ก ว, เเเวกว่าเขาสําคัญตัววา่าเลยกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาก็สําคัญตัวเร็วกว่าเขาพระอนาคามียังติดอยู่ส่วนพระอรหนันไม่มีเลยพระไม่สําคัญตัวในที่ใดๆทั้งสิ้นพระอรหันรักษาจิตใจไม่ท่านไม่รักษาจิตใจของท่านเลยถ้าท่านรักษาจิตใจของท่านอยู่ท่านก็จะเป็นทุกข์ตายเปรียบเหมือนคนคุมนักโทษ เพราะเกงนักโทษจะรักหนีเก่งนักโทษจะทำอันตรายแก่ตนด้วยเหตุนั้นท่านจึงไม่รักษาจิตใจของท่านเลยเพราะท่านมายึดมั่นถือมั่นในจิตใจของท่านแล้วเพราะไม่มีโทษอันใดเหมือนนกบินในอากาศไม่ได้รักษารอยเลยเหมือนมีดเฉือนหน้าไม่มีรอยเลยทาชาญสูงถ้าไม่รักษาจิตของท่านพรหาหมณ์ พวกเราไม่รักษามันก็ผิดจริงจริงใช่ไหม <laughs> ทำไมท่านจึงไม่รักษาเพราะมันไม่มีความผิดท่านก็ไม่รักษาถ้าพระอราหันต์รักษาจิตอยู่ก็ค่ากับคนคุณรักโทษมันก็เป็นทุกข์อยู่ เพระเก่งนักโทษจะรักนี้ว่าเก่งนักโทษจะทําอันตรายแก่ตนว่าเหตุนั้นท่านจึงไม่รักษาใจของท่านเลยเขาพูดสมมติท่านก็พูดไปกับเขาเขาพูดสมุติท่านก็พูดไปกับเขาแต่ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่มีราคะโทสะโมหะเหมือนหน้มามะพราะ้าจะทิ้งไปทางไหนมันก็ไม่มีตะกอนจะอยู่นิ่งๆมันก็ไม่มีตะกอนแต่พวกเราเนี่ยเขามาคัดคอบ้ามึงไม่กกรู้จักลัวอะไร พระละหันไม่มีเพราะท่านเห็นโทษในโลภในโกรธในหลงพอแล้วเห็นโทษในโกรธในหลงพอแล้วมันก็ไม่เสียดายอยากจะโลภจะโกรธจะหลงอีกเลยแต่เราเห็นว่ามันพอใช่สมควรอยู่เราก็ละไปได้ใช่มไหยสิ <laughs> ่งไหนที่ไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่นับไกล เราไม่เสียดายอยากลงลุยลุ้มฐานเพลิงมันหนักใจไหมไม่หนักใจทําไมยังไม่เสียดายลงลุยลุมถ่านเพลิงเพราะเห็นว่าลุ้มฐานเพลิงมันจะไม่มัวยมอญเพราะเห็นว่านํารายทิพวรรณทิงแล้วมันไม่มีประโยชน์จึงไม่เสียดายอยากเอาคืนมาส่วนพระโสดาบันไม่เสียดายอยากลดละเมิดชิ้นห้าก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งไหนที่ไม่เสียดายร่ลดละเมิดชิ้นห้าสิ่งไหนที่ไม่เสียดายลรลเมิดชิ้นนั้นมันก็ไม่หนักใจ ท่านผู้พ้นไปแล้วท่านไม่ล้องว่าอยากจะยึดถือว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลมีในปัจจุบันอดีตอนาคตอันรเลยเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสพระบรมศาสนาเรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติเรารู้วิมุตติตามเป็นจริงของวิมุตติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าเราติดอยู่เงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็เรียกว่าเราไม่รู้สมมติและวิมุตติ ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์หรือไม่ศูนย์เราก็ไม่ติดอยู่แต่เรารู้ตามเป็นจริงยถาภูตังสัมมัปปัญญา ย, ยทาัตตังเรารู้ตามเป็นจริงก็จบเพียงเท่า น, นั้นสิ่งไหนที่เรารู้ตามเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ขบดคืนเช่นเรารู้ว่าโลก เต็มไปด้วยอันนีจังทุกขังอนัตตาใดๆในโลกล้วนอันนีจังใดๆในโลกล้วนทุกขังใดๆในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเกิดขึ้นเนี่ยพระแปลปวนให้แตกสลายคำพูดเนี่ยในปัจจุบันเขาล่วงไปในปัจจุบันนึกคิดในปัจจุบันเขาล่วงไปในปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยถ้าเราเห็นชัดอย่างนั้นแล้วเราจะขบวคืนว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของตัวตนมันก็ไม่ขบวคืนใช่หรือไม่ คาพ่นทุกข์ก็คือพ้นจากความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมานั่นเองคือหลงอะไรหลงของไม่เที่ยงอาเป็นของเที่ยงหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขหลงของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามถ้าไม่หลงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ข้ามเที่ยหลงไปแล้วนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําอันตรายใจ่ใจเมื่อใจรู้เท่าใจหมดแล้ว ก็ไม่มีปัญหาก็ก้ามทะเลหลงไปซะศีลสมาธิปัญญาก็รวมพลนกันอยู่นะที่นั่นเองศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงเหตุฉะนั้นจึงว่าพระอรหันต์เรียนนโมจบแล้วส่วนนโมโรกีนโมตาบอดแต่คนตาบอดนโมไม่ได้ตาบอดนโมเลขนโมผานโมวัดนโมเบอร์ใช่ไหมนะส่วนนโมพระสุวรรณบันนโมไม่หลงทาง ไม่เสียดายร่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสเปนเลยนูว่าเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพป็นอาหารค่าขายเมเอาค่าขายายาพิษการค้า ข, ขายหอย่างนี้ท่านไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยและไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันด้วยไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีด้วยไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยเมื่อท่านไม่เสียดายเวรภัยทั้งหลายเหล่านี้แล้วเวรภพยหยาบ ขาดไปแล้วรากแก้วของเวนพยายาบขาดไปแล้วเวนไทยอื่นๆก็พลอยจะขาดไปด้วยก็เปิดหนทางประตูบนไปบานไปจนถึงพระอรหัตมรรมะอรหัตตาผลก็จบกันลงที่นั้นบาปก็คอยทยอยหายไป ไม่บ้านหน้าบานหลังไม่บนไม่เวียนเหมือนต่ํากว่าสุปฏิปันโนลงมาเหตุนั้นพระปรมาศาราจึงยืนยันว่าศาสนาของเรามีในสุปฏิปันโนชุยยะสามีเท่า น, นั้นไม่มีในที่อื่นทําไมจึงมีโลกีและโลกตระมาพลเปศาสนาพุทธก็เพราะเอารัฐที่อื่นศาสนาอื่นมาพนไปขับศาสานาพุทธ เอาพ่อตาครับลูกเขยไปนั่งเตียงเดียวกันมันก็วุ่นสิแต่ความจริงแล้วคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นโลคุตละทั้งนั้นจึงยืนยันว่าสุพเจปโนโชุยายะสามีนี่นะสาวกของพระบมมีพาะเจ้ายืนยันเท่านั้นมหาปเรณิพานสูตรสุภัททะผู้บวชต่อแก่ประกาบทูลพระบรมศาสดาว่ารัที่อื่นศาสดาอื่น ถ้าเขาไม่ประมาทยัญยะวิธีของเขาเขาจะถึงสุปฏิปโนโอุยายะสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้า่าเลย่ยาเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทรรมถ้าทาไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทรรัตเทอื่นสาธรารอื่นไม่มีสุปฏิปโนไม่มีอชุชุไม่มียายะไม่มีสามีเลยสามีจิตเลยมีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้น มหาปารีณพานสูตรรูปะพระผู้บวชต่อแก่ประกาศทุลพระบรมศาสดาว่ารัทติอื่นศาสดาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทยัญยวิธีของเขาเขาจะถึงสุปฏิปโนโยยายะสามีบ้างหรืองอะพระเจ้าข้าอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่สามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำ ลัทธิอื่นศาสนาอื่นไม่มีสุภจปรปโนโมไม่มีอุชุไม่มียายะไม่มีสามีเลยองสามีจิเลยมีแต่าศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ใช่เราพูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมพูดตามไปจริงของธรรมไม่เป็นอุ ป, ปาทานพระบรมศาสนา พูดอย่างผืนผายเลยพระบรมศาสราีรสิหานาทังรันเตเตเป็นชี้ให้หนาในพุทธบุตรสัตว์ไม่ขั้นข้ามเลยเพราะเป็นธรรมจริงของพระบรมศาสีรน์ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นพระบรมศาสีรน์คำสอนใดๆจะเหนือคําสอนพุทธศาสนาไม่มีเลยใครจะพูดเก่งจนน้าไหลไฟดับ ก, ก็ตามเถิดพระบรมศาสีรน์พูดก่อนแล้วสอนแต่หยาบไปหาละเอียดสอนละเอียดลงมาหาหยาบ ถอยไปถอยมาอยู่อย่างนั้นเหมือนนักมวยถอยเข้าถอยออกอยู่อย่างนั้นเหมือนขึ้นบันไดเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงขึ้นแล้วก็ขึ้นก็กรลงแต่ไม่สงสัยในขึ้นในลง เหตุฉะนั้นพร่อกรม า, าสัาจริงยืนยันปัจจุปนนัญจโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นัาา้นงอนงันคอนเคลนเลยปัจจุบันพระสวัสดิบาลปัจจุบันสักระตาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระราหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระประเจกจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระสัมมารพระพะตะเจ้าเหนือท่านทัน้งปวงเลยเพราะมียานประยุทธ์มากต่างกันใครก็ ปัจจุบันเหมือนกันปัจจุบันพระสวสดาบาลสักระตาคามีอนาคามีอราหันต์พระปจเจกพระสมาพุกติเจ้ามียิ่งยอนกว่ากันแม้เสียนสมาธิปัญญ า, าพระสวสดาบาลเสียนสมาธิปัญญาสักระาคามีเสียนสมาธิปัญญาพระอนาคามีศสียนสมาธิปัญญาของพระหลานเสียนสมาธิปัญญาของพระปเจกเสียนสมาธิปัญญาของพระสมาทุกตเจ้าก็มียิ่งยอนกว่ากันตามลําดับธรรมาตีคุณค่ากันไม่ถูกบางท่านก็บอกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ถ้ามาแยกผู้รู้ออก ก็เียกว่าตีเสมอเราผู้ฟังก็ไม่สนิทธรรมโอธรรมโอก็แปลว่าผู้รู้แต่ว่าผู้ส่งไม่ถึงผู้รู้สังโฆก็ปฏิบัติผู้รู้ผู้รู้ละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองผู้ละกิเลสนั่นเองแต่ไม่ลดหลั่นลงมาผู้รู้ของพระสวสดาบันผู้รู้สักการามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระอรหันต์ผู้รู้พระปุทเจ้ผู้รู้พระอรหันต์ พระรูปพระหาร พ, พระรูปพระปฏิเจติพระรูปพระสมณะพระพุทธเจ้าจะเอามาตีเสมอกันมันก็ไม่ได้นั่นเราก็ฟังสนิทเนี่ยนะฮความจริงมีจริงอยู่ก่อนนี้เราจึงมารู้ความจริงทีหลังพระบรมศาสนาไม่ใช่เรามาแต่งให้มันจริงนะพูดอย่างนั้นบาบก็เป็นจริงอยู่แล้วบุญก็เป็นจริงอยู่แล้วไฟมันก็มีธาตุร้อนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาแต่งธาตุให้ไฟร้อน เราดูตามเป็นจริงแต่เราไม่ติดอยู่ในงานใดๆทั้งสิ้นพระบรมสารรากาเหตุนั้นวิญญาณมติสันติของเราจึงไม่มีเราจึงข้ามทะเลหลงไปซักโดยสวัสดีภาคพระอหันต์ทั้งฟวงก็เหมือนกันหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักข้ามทะเลหลงได้ความไม่หลงข้ามผู้รู้ด้วยความไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล อัตวาทุกประทานความเพียนมาตุตัวเขาสัตว์ทุกคนว่าเตสจะเจงไปนาทีนั่นเองไม่ต้องไม่ต้องเรียงปฏิจจส ม, มุปบาทก็ได้ที่ท่านเรียงก็เพื่อให้สมภูมิพระ บ, บรมศาสนาเฉยไม่ต้องเรียงสมมติว่าโซท่านคออยู่นี่ตัดเปลาะได้เปลาะหนึ่งออกมันก็ไปได้ทั้งนั้นทําอะไรหวังเพื่อคนทุกข์ในวัาสงสาร กิเลสมันตีสนามใจแตกแล้วมันทบได้เหมือนเชือกแล้วก็กู้ชาติคืนคืออริยชาติชาติจะถือว่ามีมรรคมีผลกิเลสมันก็มาชวนบอกว่าไม่มีดอกมรรคผลก็ไปตอบไปตามมันซะเพราะมันล่างสมองพอแล้วแบ <c oughs> <c oughs> บไม่มีบุญไม่มีกิเลสมันชวนบอก <c oughs> พูดไปมากสักเพียงไหนก็าตามก็มีแต่เกิดรบดับเท่านั้น คนราวันไม่พูดแต่มันพูดอยู่ข้างในใช่ไหม น, น, นึกขึ้นแล้วก็พูดนึกขึ้นแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วพูดออกไปก็เป็นอดีตไปล่วงไปล่วงไปเหมือนดังนา้าไหลสัง้งขานใดเกิดขึ้นในอดีตก็ดับในอดีตก็ดับในอนาคตเกิดขึ้นในอนาคตสังขันใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขันนั้นดับในปัจจุบัน ทรงรู้ตามเม็จริงปฏิบัติตามเม็จริงลดทุนจากความหลงตามเม็จริงเสียเถิดพวกเราทั้งหลายได้หลงของไปเที่ยวว่าเป็นของเที่ยงหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขหลงของไม่ใช่ตัวตนน่าเป็นของตัวตนพวกเราทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้เองเมื่อพวกเรารู้เท่าตามความหลงของตนแล้วสติปัญญาเหนือจากความหลงของตนแล้วพวกเราก็ไม่มาเกิดแยกเจ็บตายในวัฏสงสารนี้อีกเลยพระพุทธเจ้า นั่นคือตัวศีล น, นั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญากลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันเลยพุกท่เจ้าสอนให้เงากระเงาสอนให้สันกรสันยงาวระเ า, าออกมาจากใจสันกรสันลงมาหาใจศีลศีลหารวมลงมาเป็นศีลตัวเดียวในปัจจุบันพู้โทธทโมสังโคไปสามอันเป็นเชือกบสามเกี่ยวเนี่ยเอยู่ในหัวใจในปัจจุบัน ใจชี้ขาคือศีลสมาธิปัญญารวมลงมาในปนัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนั่นเองคนขยายอรรยายอร่าเพื่อกับยนต์ขมาขยายออราเพื่อกับพยนต์ขมากับเสื้อ К, ช ur, เชนยร์เพื่อเทียบขึงให้เบ่งยอนเง่าเขายาออกไปจากใจสักสจสกนกับสันขม่าห้าใจข้าพทุกย่อลงมาหาเอกระทุกในปัจจุบันข้าพศีลย่อลงมาห้าเอกศีลในปัจจุบันข้าปัญญายอลงมาห้าเอกปัญญาในปัจจุบัน พรพุทธพธรรมพระสงฆ์จะมีกีนาลนรล่านก็ตามย่นลงมาในปัจจุบันเลยเราเลื่อมใสในพระโคโดมก็ถ้ากับว่าเลื่มใสในพระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วหรือยังไม่มาในอนาคตพระเป็นคําสอนอันเดียวกันพระทำก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันไมไ่ต่างพรบกันเลยมีความหมายอันเดียวกันเสียงไหนที่ไปบวกโลบให้จัดขึ้น ที่ไปบวกโกรธให้จัดขึ้นที่ไปบวกหลงให้จัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะพูดจนน้ำไหลไฟดับก็ตามสิ่งไหนที่ไปบวกโลภให้จัดขึ้นไปบวกโกรธให้จัดขึ้นไปบวกลงบวกหลงให้จัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่รถธรรมรสวินัยของพระพุทธศาสนาตรงกันข้ามเป็นรถธรรมรถวินัยของโจรของมารพระพุทธศาสนาสอนไวอยางสันง้นี่ ผู้ที่สอนเก่งเขาพระพุทธเจ้าห่อบนบุ่มเอ๋พระพุทธเจ้าสอนเกงปัญญสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัตินิพานสมบัติบริบูรณ์มาแล้วไปที่เก่งปันไ์ไก็เก่งไปใช่ไหมใช่เียนหอดปอเก้าหรือปอดทีแปดเจะสร้างหอล่อยตพันมืนแสนล้านโกก็ตามเนาะก็ออกมาจากคาสอนของพระพุทธเจ้าห่อละสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าวาในสอนบ่มเลยสอนให้ละบาปบาเพ็ญบุญอ่ อย่เป็นผู้มีอิสระในการทางทำดีอย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วตามสติกำลังของตนเถิดจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีตามสติกำลังของตนอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยพริเจ้า จงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทาดีตามจติตกำลังของตนเถิดอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทาชั่วเลยนอกจากใจก็ไม่ไม่มีอันไดจะทำดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทาชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจหิวนอนก็นอนเองหิวน้นาก็ดื่มเอง หิวอาหารก็ทานเองเราตาาคตเป็นเพียงที่บอกเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะทําแทนก็ไม่ได้เหตุ น, นั้นเราจึงเคารพทำถ้าพระธรไมวในไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้เหตุ น, นั้นเราจึงเคารพทำพระพุทธเจ้าว่ามีก็ะท่อมทั้งหลายก็มีอยู่ก็เป็นถ้ำอันเดียวกันไม่ได้แก้งแย่งกันพระพุทธเจ้ามากี้รันร้า น, านมาก็ไม่เห็นเมตซ้ายท่องมหาสมุทรก็มาบัญญัติถ้ำอันเดียวกันเบ้ด มัคือกฎหมายกฎอนโม ก, ก้กพนผักก้อนของเศร้าโรกปู่ดึงไปมึงดึงมาดึงมาไว้ขาฟันนั่นแท่งกันเอาเลือดบวงสวงสารนางคัตชามเิเอ้ยเศร้าโรคขนะขนยพระพุทธเจ้าแทกแท็แกอยู่ในโลกนี่ลนะยเศร้าโรคเลยไปไม่รอดดูกันไหวคนปู่คนย่าคนตาคนยายคนปู่คนย่าคนตาคนยายสวัสดีหรือ คุณหนูสวัสดีหรือคุณพ่อคุณแม่สวัสดีหรือมันก็มาจากใส่ก็มาจากอายุวันโนสุขังพลังของพระนั่นเองนะอันไหนอันพระพุทธเจ้าบวชสอนเ่าไม่ได้อบายะมุกทุกประเภทเป็นทางชิบหายพระพุทธเจ้าเข้าไปเฮ็ดก้อนลูกหลานนั่นแหะลูกหลกานจะมาแห่น้ํากลมันชิบหายมันวหววอดพวกลูกหลานมาแห่น้ํากลมหรอกว่าท่นทั้งหลายมันดี เทาจังเลมาบอกอาจารยเท่าเลยเห็ดกรเนี่ยมูโตเฮียนรุ่นเท่าอาารย์เนี่ยทางในหนคิดายเท่าก็ได้๋ผ่านมดเท่าจังไดยมาหามสอนมูเจ้ามันบวชเจริญเลยอับอายยมุกทุกประเภทบวชเจริญคิดหายวัดพระพุทธเจ้าสอนในี่ยปเวทอาวุธเว้นไผ่ตัวประนาราบัติอธินากาเมมุงสาสุราเอาขันเศ้าโลกวิชินหาบริบูรณ์มึงลูกเขเนี่ยทหารก็ บ, บม่ต้องมีตำรวจก็บม่ต้องมีข้อตรวนก็ไม่ต้องมี กุญแจก็ไ hmm. ม่ต uh ้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีผู้ได้เสื้อกัมแล้วคนของกัมผู้นั้นกับเสื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ได้โบเสื้อกัมแล้วคนของกัมผู้นั้นกับ่บเสื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ทําดีมันในใดดีอีนี้ผู้ทํำซัวควมซัวกัตามหาอีนี้ผู้ทําดีก็เป็นพระญาณวัฒนเจ้าผู้ทำซัวก็เป็นพระพระญาณวัเจ้าทําซัวบ้านใดซัวอีหนี้่วนทีใดซาได้ไหวมันก็เป็นเรื่องของผลของกัมบ่มันแนวจะไปกระไว้นั่น ผู้ทำดีก็ได้ดีไอ้นี่บอกองค์สันว่ามันได้นะเป็นพยานของพระพุทธเจ้าทั้งทั้งดีทั้งชั่วมั่นผู้ทำมันนั่นเริี่ยกรรมทั้งหามาตัวฆ่าฆ่ามดาปีตัวฆ่าฆ่าธรรมดาอนาัตตฆ่าฆ่าปราชญโลหิตตัว่าทำลายพระพุทธเจ้าทึงยังโมโยงเหิตฝังหลงอยู่ในห้องกันไปสองข้อแรกสองข้อแตกจากการอญิจจตัวเทศมันก็ได้รับผลของกรรมอันเป็นบแมเอนทางเจริญอีหลีว่า ท่าดีมันก็ได้ดีอีหลีมันอีหลีอยู่ใจเทําซัวก็ได้สัวอี่หลีมันก็อีหลีอยู่ใจมัได้ไปอีหลีอยู่อื่นมันก็เลยเป็นพยานพระพุทธเจ้าวัดทั้งๆขึ้นทั้งรองไงว่าผู้ที่ได้มากเน่ทางที่บ่าชอบคนก็ําตามสนองมัดเสียงแม้แต่ว่าเฮ้งขึ้กันเพิ่งขึ้กันผู้ที่ถือเพไม่บาไม่บุ่นพรมีคุณพอคุณแม่ขึ้กันคนกับเขเห็นเจริญนี่แหละคนก็ํามันตามมานั่นมันก็เป็นพยานพระพุทธเจ้า ูเข้ารบคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณปูคุณยาคุณตาคุณยายถึงว่าจะเลิญกับพ่อปากพ่อทองพ่ออายุไ้กินว่เดือดว่าหอนนันก็เป็นมันก็เป็นพราณอยู่เลยท่า น, นทั้งดีก็เป็นพญาณมาผู้ได้เจ้าทาั้งซวก็เป็นพราณมาผูได้เจ้าเห็นยังสัน้นงมัมีท่าสิไปมห่อมิได้ทำปฏิบัติตามคำสอนของพระทเจ้าตามที่กำลังของตนเท่านั้นมอของสัเอาหลดว่ า, ว า, า, านนเราด๋อยพขา่ายเราไร้ผลเือย ผู้ได้ยากคนทุกข์ใครพีร่กันหน้าพูดได้ยากคนทุกข์นะพัจจ้าปานาศาสตร์พี่ชนะอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาพอ่อมคุโปรมหายใจเขาออกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงไม่เที่ยงพ่อมคุโปรมหายใจเขาออกเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์พอ่อมคุโปรมหายใจเขาออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอร่อมคุโปรมหายใจเขาออกเป็นตาสักวารูปเป็นตาสักว่าเหน็นพอ่อมคุโปรมหายใจเขาออกผู้สามอะไรไม่แก่กะมาแล้วอ้อนพูดอยังอ้อนอยู่กับพวานาพุโทโธ ผู้แก้แล้วกับง่ายพุทโธขึ้นอีกพุทโธพระพามาเกิดพุทโธพระพามาแก้พุทโธพระพามาแก้พุทโธพระพามาตายถ้าหม้อซองใหม่ถึงถ้ามันมาเกิดมาแก้มาแก้มาตายทังโ้อปฏิวัติเพื่อมาเกิดมาแก้มาแก้บาตายผู้ใจสูงก็ต้องโอนพุทโธขึ้นผู้ใจทำผู้ใจตั้มก็โอนพุทโธมาเล่นเลขเล่นผ้าน้าโตตัวพุทโธเลีพุทโธผ้าพุทโธวัดพุทโธเบอร์มันกับบาปที่ประเทศนี้เข้าใจบ่ มื่อนี้ใกล้จะตายก็มึงเศร้าในแม่นว่านั่นความตายนี่ว่าไม่เทียงถอยดีอีกนะสักการ์เชตุงท่านเนนาวาความตายมาถึงแล้วไม่มีท่านผู้ใดจะถ่ายถอนโดยเวทมนตร์ด้วยซับเหตุนั้นจึงรีบปฏิบัติพระพุทธธรรมพระสงค์ซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระพุทธเจ้าบุรุษบอกเลยลูกลูกทอดเขาจะญาติเอาอวน เราจะนอนนับหลายเรือนข้องเหลาล่นเขาใช้มาจกคนโคเลทั้งแต่รางอะไรสั่งลุกหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่นั่นก็หรอกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอารมณ์ให้ใช้มาจกคนโคเล่ทั้งตารางโค่นตายเอาไปตายที่ขดินนัะขันว่ามีน้วยแก้วย่องอยู่บนหัวส่วนผงทุลี่หมดสช้ว่ายว่างเมียนมีพระพุทธพระธรรมอยู่บนหัวใจตายไปมันก็ไปตกมาลูกคนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่บนหัวใจก็ตายไปมันก็ไปสวรรค์หมน หัดภาวนาไว้อย่างาอมัวฮอลปฏิตายมาจังสิมาหัตภาวนาพุโทโธพุโทโธมันกับอะไรต้องฮัตไว้แต่เดียวนี่มัดตตนไว้อย่างย่เมื่อหัวข้อสั้นมันยามหัวข้อเนิน่นมันแห้งเขินกืนยากเป็นคนไหย้ยาเสียใจไหวน้ำพนหวังเพิงตนยุสมือทาพเจ้าสังสอน เพื่อเหนือก็ยังตกไตนำพัดไปก็ยังพลาดบัตทามอรมาตนาทแล้วใจเจ้าจักเพลิงไผหวังให้ผู้ยูทั้งหลังทั้งบญไทยก่อแสนไก่ล้านโดนดตามก็ะยืมขี้มาการกล้วยบุชสวยวะฮอนถึงถ้าตายไปใหม่ได้เอาไว้กี่จมอมยูดังลื่อกุศลที่ไปหอดได้ในหันกีดขวางแทนห น, โทโททหน้าโบราณ่นเราฮัตภาวนาโพธิไว้ทั้ไหลา ตายข้าพรอหนาพโทไปเกิดโทกมรรคไปรถไปเลือคือ้กันพุทธโทยจะใสเอาได้ดีไม่ได้อัไรอื่นอ่วอ่นอื่นมันลืมย่อมเป็นคาเป็นธาตพราะคุเกาทำพระทรงแล้วเลอกได้ไม่ได้ก็ดี ขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณตามเท่าเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้นเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอขมาโทษต่อพุะธรรมสงฆ์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้นเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดียอมเป็นท้าเป็นทาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระิพานมันก็มัดเย่งแค่นั้นแหะป่วยลงมากอ่ะหาหวานหายามากินหายก็หายพอหายก็ย่อมตายต่อภาวนาพุทโธก็ไปเกิดในภพมโรรคผลดีพอดีบพโลกมาเกิดอีก ตัดสลุอยู่ทั้งสวรรค์สั้นร่มนนบนบม่ได้ทังยากเลยยืมพุทธโธเจ้ามาบริกรรมเดยยืยมธัมโมเจ้ามาบริกรรมเด ย, ย่าติเจ็บคาผ้าสีเลยห้องกับบได้ว่าก็มีอยู่ในหัวใจของภัยหองมัน่นนทวงผลทุกในปัจจุบันนาทราบเรี่วไปก็นั่นเอง อดีตคืออะไรคือผู้ลู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รูกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้ลู้ที่กําลังเป็นอยู่เป็นแต่สักความลูกเป็นแต่สักความเห็นพร้อมกำล ม, มให้ใจเขาออกไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลก ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิเราก็ไม่สําคัญตัวเราเป็นศูนย์ไม่สําคัญศูนย์เพราเป็นเราไม่สําคัญใจเป็นเราเราเป็นใจไม่สําคัญอะไใจมีในเราเรามีในใจใจก็เป็นแต่สักว่าใจรูปเป็นแต่ักวรูเปเห็นเป็นแต่ักว่าเห็นก็จบกันอยู่นะที่นั่นเองอันนั้นผู้สั่งบรมีมากแก้ก่าแล้ ว, วาาสีพ้นทุกข์ในปัจจุบันนาทราบผู้นั้นผู้ยั่งชีวังเกิดอีก็ี่ก็ตายฆ่าภาวนาพุทโธตายข่าภาวนาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาสกัน อันนั้นกับพี่งานาอ น, นาถตาหือนน่ะเป็นทะกัณฐ์รู้เห็นแต่มันห้องเป็นสั่นละเอียดที่สุดอันนันั่นคือตัวศีลคันคิดทัางสูงสมาธิเข้ากระสูงปัญญาเข้าก็สูงตรสิกขาเข้าก็สูงหายฮียนนามโมจบก็กบเป็นพระรหันต์ตัวฮิอนนามโมจบนาโมแปลว่าน้อมน้อมพระรหันต์น้ อ, อมน้อมจนไม่มาเกิดแก่แก่ตายน้อมน้อมไม่มีโรคมีโกรธมีหลงน้อมน้อมไม่มีราคะโทสะโมหะ เรียนนโมโจบแล้วพระรหันจะพวกเข้านโมเรียกนโมผานโมมัดนโมเบอมันก็บาบงแหวนที่ยังสั่งใส่เพราเป็นคือมีดโกนแล้วเพื่อนใส่ใหิมะโกนผมพาพอเราไปปาดข้อกันมันหอนไปนเอาไม่ <c oughs> รับบริสธรรมะทั่วท้งไตรลกธาตุเคารพทำอันไม่มีเ ว, เวนในภยัยมันไม่บาบาบดอกคือเราเคารพทำอันไม่มีเ ว, เวนในภยัย อย่าถือว่ามันเป็นบาปเพราะสมามิตรสมานสรรทั่วทั้งตรโลกธาตุไม่ให้มีเวรมีภัยแก่กันและกันทุกทุนหน้าจึงนอนไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างตรงกับคำว่าเมตตัญจะสัพพโลกจมิงมานะสัมภาวเยอปริมาดังไม่มีประมาทถ้าเมืองบนเมืองต่ําม่องสูงสนสถานกลางด้วย โยนิสีทุกทวันหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเทินโยนิสีทุกทวันหน้าเขาเกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่และเกิดพุทธเกิดทุกทวันหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเทินสุกในพุทธธรรมสงฆ์คือสุขในพระสดาบันสักทาคามมอนาคามีพระหันตาเท่าเข้าสู่พระเนพานคือสุขบานหน้าสุขในโลกุตระไม่ได้สุขถอยหลังสุขในโรกีเป็นสุขวนสุขเวียนในวัตตาสองสารอยู่สุขใน สดาสกทาคานาคาอรหันทุกวันหน้าไปสู่พระเนพานไม่มีทุกขมาเจือปนมีแต่ทุกขจะร้อยหลอไปบาปกบาลหน้าไปไม่ได้บุญมานหน้าไปจนถึงอรหัตตะมัตถึงอรหัตตะผลแล้วก็เต็มเลยบาปก็ไปถึงพระอนาคามีอรหพอถึงอรหัตตะมัต ก, ก็หมดแล้ว บาปของพระสุปฏิปันโนเป็นบาปใช่ไหมบาลหน้านับแต่วันจะร้อยลอไปไม่เหมือนบาปเหมือนบุญผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาซอกสารอันเป็นโลกีต่ำกว่าพระสุโสดาบันลงมาเหตุนั้นจึงให้พรถึงพระนิพพานนิพุโตจะตวงพวะเอาละใชนีหเมื่อแล้วฮะเนี่ยเป็นชุกเป็นชุกฮะเนี่ยไปเป็นชุกนะ มีประโยชน์ด้วยประการซิ่งสันหนจึงได้ท่องลวผันรวงร่มมาพีถ้าห้อมหายหัวผู้ส้นหนีลิดเดตประกาศสิมาใดดังได น, นี่ดีำโ บ, บราลงวนว่าำม บ, บราลคำโบราลลูกลูกถอนเขาสิญาติเอาอวนเจ้าใจนอนรับหลายเลื่อนคล้องเหลือล้น เขาใช่ว่าจบคนโคเร่ทั้งตารางให้พักการลุกขึ้นถึงพระพุธะทธธรรมประสงค์ลุกจิตปุ๊กจิดปุกใจพระญาติตตลาดองพระญาติมัจจุราชมัมาาจเสมอจบคนโคเร่ทั้งตารางไปนอนใส่ขิดนั่นแหะให้ลุกถึงใส่พระพุธะทธธรรมประสงค์ซะ่วาขันพรมีน้อยแก้วย่องอยู่บนหัวส่วนผงชุรีหมอดชี้ไห ว, ว่างเมียน ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่องอยู่บนหัวใจนี่ตายย่ามไหก็ไปสวรรค์ตัวแม่นบอกงัดขมัวล่ามาล่องพายเขินสูแวหาค่อยดูย่อมมาหน้าไหล่ฟาดฟ้องเฟื่อนฟกอุปมาคือกิตใจพระรหันต์น่ยมันสูงมองเบิงมูเฮ้าทั้งหลายแล้วฟาดฟ้องเฟื่อนฟกน้ากิลเลสโยชนอกมาเพาะนะื่อนอุปมาคือปัญญาเพาะนะื่อนนาเทียบในี่ยทังธรรมะสันสูงก็ได้ โสั่เออไปแค่เนี่ยนี่ะนอวานีน่นอพระทศสรรษโให้ไปดีขอให้พี่ยังบักโต น, นว่าสั่นคาวานะหมูเล้เาหมรา้านผู้ลักขนมันบ้าให้ไปดีขอให้พี่ยังไผ่เงาสั่งไหวว่าเอาเลวสั่นตัวให้ไปดีขอให้พี่คือบักตนมันจะคอยด้หรือสัน่น